เราสังเกต ด, ดูนะชีวิตแต่ละวันเนี่ยถ้าตอนเช้าช่วงของจิตดวงแรกของชีวิตเนี่ยถ้าความคิดความกังวลเข้าก่อนแล้วก็วันนั้นทั้งวันน่ชีวิตเราจะเศร้าหมองจะทาอะไรแบบไม่ค่อยราบรื่นแต่ถ้าเอาความรู้สึกตัวมิสติเข้ามาก่อนเนี่ยสังเกต ด, ดูวันทั้งวั น, นจะราบรื่นมาผมเคยสังเกตมาหลายครั้งนะตื่นมาว่าอะไรเข้าสู่จิตใจก่อนถ้าความกังวลเข้าก่อนแล้วก็ ทั้งวันคุณมัวทั้งวันแต่ถ้าเอาความรู้สึกตัวก่อนแล้วก็วันทั้งวันเนี่ยมันจะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจิตใจจะดีให้รู้ตัวก่อนแล้วค่อยจะทำสิ่งอื่นมันมีความคิดอยู่สองอย่างคิดแบบไม่ตั้งใจคิดเราตื่นมาก็นึกถึงความฝันนึกถึงความกังวลตา่างๆมากมายนะไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ถ้า คิดอย่างมีสติอ๋อวันนี้จะทำอะไรบ้างอันนี้แหละเรียกว่ามีสติในการใช้ความคิดไม่เผลอมีความรู้ตัวในการใช้ความคิดในการวางแผนเพราะนั้นตื่นมาล้วก็ให้มีสติเข้าก่อนสู่จิตใจเราก่อนเลยจ้องพื้นที่จิตใจล้วก่อนอย่าปล่อยให้อารมณ์ขุนหมองเข้าสู่จิตใจเราต่อไปจะทำอะไรให้รู้สึกตัวจะออกกาลังกายบนที่นอนล้วก็ทาได้ทำอย่างมีสติ พลกตัวไปพลิกตัวมาให้รู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวไป็สม่ำเสมอในการใช้ชีวิตขณะตอนเช้ามาเรื่อยๆจะเดินเข้าห้องน้ําก็รู้สึกตัวจะแปรงฟันจะล้างหน้าให้เติมสติลงไปด้วยเห็นไหมเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันเริ่มต้นแต่ตอนเช้าทุกอย่างแล้วบางสิ่งบงอย่างที่เราห้ามไม่ได้คือเรื่องของความคิดเรื่องของการปรุงแต่งไม่ได้ห้ามความคิด แต่ว่าทุกครั้งที่มันคิดให้มีสติอรู้ทันให้รู้ทันมันว่าคิดอะไรรู้ทันมันว่าอ๋อคิดแล้วนี่แค่เรารู้ทันในความคิดเนี่ยความคิดก็จะหยุดมันถูกตัดเอาไปเลยหยุดนั่นคือความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดมันคิดมาแล้วก็มีสติอรู้ทันมันเราจะเป็นนายเหนือความคิดแล้ตอนนี้คนเราทุกวันเนี่ยตกเป็นท่านงความคิดทาตามความคิด เชื่อความคิดแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยความคิดไม่เคยช่วยเหลือเราเล ย, เลยแล้วก็มานั่งทอแท้ใจไหมถ้าเามีสติไว้ก่อนเนี่ยหรือรู้ทันในความคิดเนี่ยมันจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่เป็นระเบียบเป็นระบบกายเคลื่อนไหวอ๋อมีสติรู้ทันเวลาใจมันคิดมันนึกให้มีสติรู้ทันมันมันเผลอมันหลงไปก็ไม่เป็นไรหรอกเริ่มต้นรู้ใหม่ทุกครั้งไม่ได้ห้ามเรื่องของความคิดแต่ให้รู้ทันรู้ทัน ไอ้คำว่ารูทร้ทันเนี่ยในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการนำธรรมะเข้ามาสูจส่จิตสู่ใจเราปฏิแปลว่าวกลับ <c oughs> กลับนำธรรมะกลับมาสู่จิตส <c oughs> ู่ใจเราโดยอาศัย ส, ยสติเป็นผู้นำกลับมาในแต่และ ว, วันเนี่ยไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เนื้อที่ตัวเารนะาเห็นไหมบางคนบอกปฏิบัติธรรมต้องไปที่วัด ต้องไปสำหนกะต้องไปที่นู่นที่นี้ไม่ต้องไปก็ได้ถ้าอยากจะไปก็ไปแต่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็ทําได้เพียงแต่เรามีสติตามรู้ว่ากายกาลังทำอะไรใจกำลังทำอะไรยิ่งการทํางานสําคัญมากนะการทํางานถ้าทําแบบไม่มีสติเนี่ยจิตใจก็จะเลื่อนลอยเผลอและมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้การทำงานของเราเนี่ยแต่ถ้าทํางานอย่างมีสติ จิตใจจะจดจ่ออยู่กับแดงงานนะจดจ่ออยู่กับแดงงานเป็นสมาธิอยู่กับงานอยู่กับปัจจุบันกับแดงงานของเราเนี่ยถ้ที่เราจะทํางานไปใจก็คิดปรุงแต่งโอ้จะได้อะไรจากงานนี้บ้างจะทําเสร็จทันไหมเอาเรื่องที่บ้านมาคิดปรุงแต่งเรื่องนู้เรื่องนี้ไม่มีสมาธิเกี่ยวกับการทํางานเลยเพราะเราขาดสติควบคุมจิตใจตรงนี้อยู่ถ้ามีสติควบคุม จิตในการทางานอยู่กับปัจจุบันกับงานเนี่ยมันจะเพลินการทำงานจะเพลินเห็นหเพลินแปลการทำงานแล้วมันจะมีความสุขสนุกกับการทำงานแม้งานจะหนักก็ไมนเพียงแค่เหนื่อยเท่านั้นร่างกายเท่านั้นจิตใจจะไม่เหนื่อยใจจะไม่เหนื่อยเพราะมีสติเป็นผู้ที่ดูแลอยู่เราจะไม่เหนื่อยใจเพราะว่าทุกครั้งที่มีสติรู้ทันใจเราที่มันคิดนึกปรุงแต่งเนี่ย มันจะมีการพักมีการพักผ่อนไปช่วงขนาดหนึ่งเพราะงั้นเราก็จะคิดยาวปลืดเป็นเหล็กเส้นใชเนี่ยพอเราขาดสติในการทำงานแต่ถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันจะตัดเป็นช่วงช่วงแบบแบบโซ่ที่มันร้อยกันอยู่เป็นช่วงช่วงจิตได้พักเป็นขณะขณะขณะมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจิตไม่เหนื่อยใจอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาคนอยู่บ้าน ถ้าอยู่กับการมีสติอยู่กับเรื้อบตัวนี่ไม่เหงานะอยู่หลายคนก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายมีเครื่องอยู่คือสติเป็นเครื่องอยู่อย่างเงี้ยอย่างทุกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังอย่างมีสติแม้จะคนมากมายก็ตามจะกลายเป็นคนคนเดียวกันเลยเพราะทำในสิ่งเดียวกันคือฟังทาด้วยสติเนี่ย จะกลายเป็นคนคนเดียวกันนะแม่หลายคนถ้าทุกคนมีสติก็กลายเป็นคนคนเดียวกันอันนี้เป็นยอดของความสมัครสมานสามาัคคีเลยเราไปเรียกร้องความสามัคคีกันภายนอกมัเนนะ่ะมันยังไม่ใช่ของจริงหรอกมันจะเป็นแค่สามาคัคคีแต่ภายนอกแต่ทุกคนถ้าอยู่ด้วยการมีสติมันก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีปัญหา ว, ว่าง่ายสบายเลยแต่ถ้าเราขาสติเนี่ยแม้แต่การฟังเนี่ย ถ้าขาดสติเนาะก็เดินเงยบุบวายขาดสติดังนั้นอ่ะคุยกันว่าอันนี้คือขาดสติบางทีจิตใจเลื่อนลอยเมื่อไหรมันจะเลื่อนกระทิงยันได้เวลาทั้งนั้นใจเลื่อนลอยไม่อยู่กับการฝันอ้าบางคนก็หลับนะอันนี้คืออาการของการขาดสติมันก็แตแกแยกกันไปไอ้ น, นั่นก็ต้องเดินไอ้ น, นี่ก็ต้องคุยไอ้ น, นั่นก็หลับไอ้ น, นี่ก็เพลิด มันก็เลยกลายเป็นหลายคนควบคุมยากมาสันติภาพไม่เกิดขึ้นสันติภาพเกิดขึ้นต้องมีหนึ่งเดียวคือรู้สึกตัวใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นการมีสติอยู่การใช้ชีวิตประจวันเนี่ยจะควบคุมกายควบคุมวาจาให้เป็นปกติถ้ากายวาจาเป็นปกติเนี่ยเท่ากับมีศีลแล้วนะศีลก็วยความเป็นปกติ ไม่ได้ฆ่าสัพว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในการไม่ได้พูดโกหกแล้วก็ไม่ไ ด, ดื่มสุราศีนห้าพรา้อมโดยที่ยังไม่ได้สมาทานเลยมีมเนสติควบคุมกายวาจใจใจเป็นปกติเท่ากับเป็นมีศีลละจิตที่ตั้งมั่นจดจ่อยโยกการฟังอันนั้นคือสมาธิสมาธิคือจิตที่มันตั้งมั่นเมื่อมีสติ มีสีมีสมาธิสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดปัญญาปัญญา ค, คือการรู้จักตัวเรามันจะมีการเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นรู้จักตัวเรารู้จักความเป็นจริงของกายของใจเรามันจะแก้ปัญหาตัวเราได้กับตรงเนี้ยตรงรู้จักตัวเราด้วยปัญญาถ้าทำไปบ่อยๆเนี่ยมันเห็นแจ้งนะอาจจะบรรลุธรรมที่เกิดจากการฟังหรือการ จสติในชีวิตจำบันก็ได้เกิดการรู้แจ้งรู้ความจริงของชีวิตไม่ยึดมั่นถึงมัน่นปล่อยวางภายในจิตใจจะทำหน้าที่ข้างนอกอย่างถูกต้องมีผลมากการจิตสติเนี่ยจะเรียกว่าเป็นบุญสูงสุดก็ได้ในชีวิตจำบันเนี่ยถ้าเรามีการจิตสติเสมอเสมอเนี่ยเท่ า, ากับเราเก็บเกี่ยวบุญได้ทั้งวันเลย มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเนี่ยมันเป็นยอดบุญเป็นยอดแห่งคุณธรรมเลยคุณธรรมของคนเราเนี่ยจะมากน้อยเนี่ยวัดกันที่สติคนโน้นคนนี้มีคุณธรรมมากอันนั้นอย่าเพิง่งไปเชื่อต้องวัดกันที่สติสาคัญมากที่สติพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าใครมีศีลมากน้อยนั้นจะต้องมาอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่าคนไหนมีศีลมากมีศีลน้อยคนที่จะมีสมาธิมากน้อยแค่นั้นต้องดูต่อที่มันมีภัยเวลามีภัยมาใกล้ตัวเนี่ยคนที่ขาดสมาธินี่จะลุกวิ่งก่อนเพื่อนเลยไม่รู้อะนำหน้าไปก่อนแต่คนมีสมาธินี่จะมั่นคงรู้จักใจต่ออากาศเย็นเกินไปก็บน่นร้อนเกินไปก็บน่นหิวก็บน่นเมื่อยก็บน่นอันนี้ขาดสมาธิตันั้น่ะ จิตใจไม่มั่นคงไหลไปตามอารมณ์ต้องดูตอนที่มีภัยคนไหนจะมีสมาธิมากนะ้อยคนไหนที่จะมีปัญญามากต้องสนทนากันปัญญาต้องเกิดจากการสนทนากันถ้ามีศีมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็อันเนี้เป็นสุดยอดของธรรมะเลยวัดกันได้ที่มีสติหรือไม่ถ้ามีสติแล้วก็มีสีมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญานี่แหละเป็นสุรุ่งเป็นคุณธรรมเลย มันเกิดความสามัคคีก็เพราะการมีสติเนี่ยรู้จักกาลเทศะก็การมีสติความเมตตาความซื่อสัตย์ความขยนันความอดทนต้องเริ่มจากการมีสติทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้เป็นคุณค่ามากาผมจะแนะนำบางอย่างในการฝึกสติในขณะปัจจุบันเนี่ยการฝึกสติก็เพื่อให้รู้ทันจิตทังใจของเรา เพราใจเราต่างหากเป็นผู้นำพาเอาปัญหาชีวิตมาให้เราต้องควบคุมและเอาชนะใจเราให้ได้ทุกครั้งที่เรามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์บุกหงิดอารมณ์เครียดไม่สบายใจเนี่ยเราทํอยานี้ดูบ้างสิลองฝึกหายใจลึกๆอันนี้ผมเคยใช้มาก่อนหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นไว้แล้วก็หายใจออกยาวๆย่างรู้สึกตัว หายใจเข้าลึกๆกลา้นไว้นิดหนึ่งแล้วก็หายใจออกยาวๆอย่างรู้สึกตัวเนี่ยทำแคเนี้สามครั้งจิตจะปลอดโปรงเลยออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้สมองเราปลอดโปร่งคนที่มีความเครียดฝึกหายใจสักสามครั้งเนี่ยความเครียกก็จะหายไปคนที่มีความโกรธความหมงุดหงิดลองหายใจยาวๆเข้าๆออกสักสามครั้งมันก็จะหายไป บางครั้งนึกอะไรไม่ออกก็ลองฝึกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายจะออกรู้สึกตัวดูสิมันจะนึกออกเราทํางานไม่เหนื่อยเราหยุดพักแล้วก็ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออ ก, กยาวๆสักสามครั้งเป็นอย่างน้อยอาการเหนื่อยทางกายก็จะหายไปจิตใจก็จะสบายเห็นไหมสติกับลมหายใจเนี่ยมันช่วยฟอกกลิฟอกใจ ฟอกกายเราให้มันสดชื่นได้ลองฝึกดูนะมันช่วยได้เวลาเกิดความโกรธความโมโหความเครียดอย่าไปขับไล่รับเพิ่มตัวความรู้สึกกับการหายใจหายใจเข้ารู้กั้นไว้หายใจออกรู้ช้าๆสามครั้งเป็นอย่างน้อยเนี่ยอาการจะดีขึ้นจะนึกอะไรออกความเครียกก็จะหมดไปอันเนี้ย เป็นการฝึกสติเวลาเจออารมณ์กับปัจจุบันหรือจะใช้วิธีการเคลื่อนไหวมือก็ได้เคลื่อนไหวมือลองเอามือกำมือแล้วก็รู้สึกแบมือแล้วก็รู้สึกเอาสติมารู้ที่มือกำกำกำกำกำกำาลังกำกำาำกำกสกำกำยำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำเำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกัก ำ, ำยย ก, ก, ก, ก, กำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกนกำกำก ถูนิ้วมือเล่นๆเอานิ้วจีกับนิ้วหัวมือถูสัมผัสกันเบาๆแล้วก็รู้สึกรู้สึกอันนี้เป็นการฝึกสติที่เป็นรูปแบบโดยที่ไม่มีใครรู้เลยการรอคอยอาการเบือ่ออาการเจงเยถ้าทําอย่างเงี้ยรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนิ้วมือเบาๆสวัสเบาๆเนี่ยอาการรอคอยจะไม่เกิดขึ้นจิตมันจะไม่คลุกเทาไปกับอารมณ์มันเอาชนะจิตใจเราได้ตรงเนี้ยเอาชนะอารมณ์เราได้ การเอาชนะอารมณ์เนี่ยถือว่าเป็นการเอาชนะตัวเราเลยการชนะอะไรไม่ เ, เสิอเท่ากับชนะตัวเราชนะใจของเราบางทีเราทุ่มเถี่ยงกับคนอื่นเอาชนะคนอื่นเ้าได้แต่เราแพ้กิเลสตัวเรานะเอาชนะคนอื่นแต่แพ้กิเลสตัวเราผมเคยได้สังเกตคนไทยเนี่ยมีความอดทนมาก แต่อดทนแบบเก็บกดฝรั่งนี่ไม่อดทนชอบระบายนะคนไทยอดทนแบบเก็บกดฝรั่งไม่อดทนชอบระบายที่จริงแล้วมันไม่ถูกทั้งคู่นะอดทนแบบเก็บกดนี่มันเครียด <c oughs> มันเครียดบรรทุกแต่ระบายนี่มันก็ไม่เครียดแต่ไม่ดี <c oughs> เดือดร้นคนอื่น <c oughs> เรื่ทําำยังไง <c oughs> เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ <c oughs> ให้เราอยู่ตรงกลาง อย่าไปโกรธอย่าไปเครียดเพราะความโกรธความเครียดทําให้เราจะต้องอดทนแล้วก็ระบายอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดผู้เจ้าบอกว่าเหตุที่จะโกรธเนี่ยไม่มีหรอกเพราะโกรธเมื่อไหร่ใจเราก็เป็นทุกข์เหมือนนั้นฝรั่งกับคนไทยเนี่ยใครฉิบมากกันผมสังเกตนะโอ้คนไทยเลยฉิบามากฝรั่งไม่เคฉิบมีเรื่องเล่าว่าที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ย มีร้านอยู่ร้านหนึงเนี่ยร้านขายผักปุ้งรอยฟ้าก็ยได้ยินไหมโอ้ผักบุ้งรอยฟ้าเนี่พิษโลกเนี่ยรู้สึกว่าดังมากแล้วคนที่ชอบไปกินคือฝรั่งชอบไปกินนะผุ้งรอยฟ้าทำยังไงผัดผักปุ้งไฟแดงนะผัดผัดเสก็โยนแล้วก็รับปั๊บนียใส่ชามฝรั่งปรบมือชอบใจโอ๋อเก่งมากคนไทยทุกครั้งที่ผัดผัดเสร็ษโยนไป ออกทะลับปรับฝรั่งปลกมือคนไทยนั่งเงียบ <c oughs> นั่งเงียบเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาผัดแล้วก็โยงเข้าไปรับพลาดลงมาโอ้ฝรั่งเสียใจคนไทยปลบมืออคือผูจชนะนะแต่แพ้เลยตัวเองคนไทยปรบมืออันนั้นถือว่าควบคุมใจตัวเองไม่ได้ถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลนะ มีผลมากคือเราจะเรียกว่าไรไม่ฉลาดเรียกแพ้อารมณ์ตัวเองมันมีติดอารมณ์กับฉลาดในอารมณ์ถ้าติดอารมณ์เนี่ยเป็นทุกข์ถ้าฉลาดในอารมณ์เนี่ยจิตใจสดชื่นฉลาดในอารมณ์เนี่ยเท่ากับฉลาดใจเราอัชนะใจตัวเองได้ถ้าชนะใจตัวเองได้เมื่ อ, อไหร่ล้วก็เราจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองเอาชนะใจคนอื่นได้ด้วย เพราะว่าใจเรากับใจคนอื่นเนี่ยมันคล้ายๆกันเรารู้เท่าทันใจเราเนี่ยเท่ากับรู้เท่าทันใจคนอื่นด้วยทีนี้มันก็จะเกิดความสัมพันธ์ทําไมตีที่ดีต่อกันเลยเข้าใจตัวเราเข้าใจคนอื่นไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันได้ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันเขาแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเราด้วยมื่เกิดปัญหาขัดแย้งกันถ้าเข้าใจจิตใจเราได้ไหมแล้วก็เข้าใจอารมณ์ตัวเราแล้วก็ เราจะเข้าใจคนอื่นพร้อมกันไปด้วยมันก็ไม่มีปัญหาเกิดสำ ม, มันทำไมตีต่อกันไม่ใช่ตำ ม, มันทำไม้ตีนะสำ ม, มันทำไมตีพูดจาภาษาเดียวกันเพราะเราเข้าใจกันแล้วการทํางานก็ไม่เครียดจิตใจก็สงบเยือกเย็นปลอดโปร่งมองโลกในแง่ดีถ้ามีสติเข้าใจตัวเราอัชนะใจเราจะมองโลกในแง่ดี มีกำลังจิตมีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคไม่ท้อแทนะ้ในยามที่ผิดหวังเราก็ไม่เสียพลังใจมีพลังใจที่จะยอมรับแล้วก็เข้าใจเอาชนะความผิดหวังได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่จะฝึกสติในชีวิตประจำวันให้รู้จักให้รู้เท่าทันใจเรามือสติเพื่อให้รู้เท่าทันใจเราเท่านั้นเองเนี่ยสาคัญเลยนะผมเองนี่ ก่อนที่จะพิการเนี่ยผมไม่เคยสนใจธรรมะเลยโอ้ธรรมะไม่จำเป็นหรอกเราไม่ต้องมีธรรมะก็ได้เรามีงานทำเรามีความรู้ถ้าว่าผมไม่เดินดำเนินชีวิตมาทางเส้นทางธรรมแบบนี้ชีวิตผมจะเป็นอย่างไรใช้สภาพพิการมาต้องสามสิบปีทั้งนี้มีความหวังแค่ห้าปีขอให้อยู่รอดเถอะแต่อยู่มาต้องสามสิบปี และอยู่อย่างดีซะด้วยนะอยู่แบบช่วยตัวเองและช่วยคนอื่นได้ด้วยก็ได้อาศัยการปฏิบัติธรรมนี่แหละผมทํางานเป็นอาจารย์อยู่ที่อ่างทองเนี่ยสังคมการทํางานเนี่ยดีมากแต่พอเลิกจากการทํางานแล้วเนี่ยมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเรานอกจากการเล่กกีฬาแล้วซ้อมกีฬาแล้วชีวิตส่วนตัวเนี่ยในสังคมที่ผมอยู่เนี่ย เขมีการดื่มเหล้าเล่นการพ น, นันเที่ยวเตะเฮฮาในสังคมเขาอยู่กันแบบนั้นบางสื่อมืยาดเราต้องเข้าไปร่วมเข้าไปเสพกับเขาซึ่งดูแล้วว่าถ้าเดีวอยู่ต่อไปอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีชีวิตที่แย่มากเราต้องมีหนี้สินมีปัญหาชีวิตมากมายเลยโชคดีที่มันพิการซะก่อนคือหันเหชีวิตมาทางการปฏิบัติธรรมชีวิตเลยดีมาได้ ถ้าผมไม่พิการเนี่ยผมนึกทีไรกัมันขนหัวลุกเราต้องในสภาพเช่นนั้นโดยที่อาจจะลําบากกว่านี้มากก็ได้นะก็เลยเดินบนเส้นทางธรรมเนี่ยดีมากเลยด้วยการเจริญสติเนี่ยสติสัมมาจัญญาเนี่ยเป็นตันที่มีอุปการะมากใช้ได้ทุกเมื่อเพราะเราเจริญขึ้นมาเนี่ยสร้างมาได้ทุกเมื่อเลยเพราะฉะนั้นญาติธรรมคาถามที่มีอยู่ว่า ชีวิตเรามีความสุขอยู่แล้วไม่มีความทุกข์เลยเราจะมาสนใจกับธรรมะทำไมสนใจเรื่องธรรมะทำไมก็อยากถามต่อว่าเราไม่มีความทุกข์หรือเราไม่รู้จักทุกข์กันแนะ่เราไม่มีความทุกข์เราไม่รู้จักทุกข์กันแนะ่เพรา ะ, ะนั้นสนใจไว้เถอะฟังก็ดีคิดก็ดีปฏิบัติก็ดีช่วยให้เราคลายทุกข์คลายเครียดในชีวิตเราได้ ธรรมะเนี่ยช่วยป้องกันจิตป้องกันใจไม่ให้เป็นทุกข์ธรรมะในช่วยรักษาใจเป็นปกติในายามความทุกข์มาเยือนสติมาทันเมื่อทุกข์มาเยือนเกิดปัญญาปล่อยวางความทุกข์นั้นได้อศาศัยการฝึกสติจรลสติในชีวิตประจำวันนี่แหละก็เรียกเป็นการเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเลยอย่ารอให้พิการอย่างผม อย่ารอให้เดินไปไหนไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้แล้วหรือมีความทุกข์มากแล้วค่อยหันเหนชีวิตมาปฏิบัติธรรมอย่าไปรอทุกอย่างไ ม, ไม่แน่นอนหรอกมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีพบก็ต้องมีจากซึ่งเหล่านี้ละ่ะมันมีขึ้นได้กับคนทุกคนเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนอย่าไปรอเตรียมเตรียมฝึ ก, กจิตฝึกใจไว้ก่อน เอาไว้เผชิญหน้ากับความทุกข์ที่จะมีขึ้นข้างหน้าเราบอกว่าให้เตรียมเตรียมสติปัญญาเตรียมธรรมะเหมือนน้ําที่เอาไว้ดับไฟคือความทุกข์ที่จะมาสู่ชีวิตเราอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าคิดว่าเราคงจะไม่ใช่จะพิจิงกั น, น, นผมเองนี่แต่ก่อนคิดว่าคงจะไม่เป็นงี้หรอกชีวิตเราดีมาแล้วมันไม่น่าจะเป็นงี้เลยแต่มันพลาดกลายมาเป็นคนพิการได้ หรือที่เราไม่เคยคิดมาก่อนชีวิตนี้ไม่เคยเลือกแต่ความไม่แน่นอนนีล่ละงนั้นต้องระวังไว้นะเตรียมจิตเตรียมใจสนใจธรรมะเอาไว้